งานด้านคณะสงฆ์ส่วนภาระหน้าที่หรือการทำงานทางคณะสงฆ์นั้นก็ส่งเริ่มด้วยการเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมหรือนักธรรมและแผนกบาลีตั้งแต่ทรงสอบได้เป็นป ร, ริยนธรรม5ประโยคและหลังจากสอบได้ป ร, ริยนธรรม9้าประโยคแล้ว ก็เริ่มมีภาระหน้าที่ทางการคณะสงฆ์ด้านต่างๆมากขึ้นตามลำดับกล่าวคือพุทธศักราช2484เป็นสมาชิกสังคสาโดยตำแหน่งในฐานะเป็นพระป ร, ะริยนเก้าประโยคตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2484เป็นผู้อำนวยการศึกษาสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารมีหน้าที่ที่จัดการศึกษาของภิกษุสามเณรทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี พุทธศักราช 2,488 เป็นพระวินัยทรชั้นอุทธรเป็นกรรมการสภาการศึกษาของมหามงกุฎราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยแห่งแรกซึ่งตั้งขึ้นในศกนั้นปัจจุบันเรียกว่ามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยและเป็นอาจารย์บรรยายวิชาพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกในมหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วย พุทธศักราช 2,489 เป็นเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์คณะทรงดำรงพระสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวชิรยานวงศ์สมเด็จพระสังฆราชการเป็นเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้านั้นนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตมัชชิมะวัยของเจ้าพระคุณสมเด็จเพราะเป็นช่วงเวลาที่ได้ทรงเรียนรู้งานด้านต่าง ทั้งงานคณะสงฆ์งานวิชาการและงานสั่งสอนเผยแพร่รวมทั้งการปฏิบัติฝ่ายวิปัสนาธุระหรือการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จทรงยึดถือพระปฏิปทาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติพระองค์มาโดยตลอดเช่นทรงสำรวมเคร่งครัดในพระธรรมวินัยทรงมักน้อยสันโดษ ทรงเอาพระไทรยใส่ในการศึกษาวิจัยธรรมและปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตรทรงปฏิบัติพระองค์แบบพระกรรมฐานในเมืองทรงเล่าว่าเป็นธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมาในคณะธรรมยุตว่าภิกษุสัมมเนรพึงปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเพื่อเป็นเครื่องรักษาใจหรือเพื่อให้ใจมีงานที่ถูกต้องได้คิดได้ทำํำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระผู้เป็นเทระหรือเป็นผู้ปกครองของหมู่คณะพึงถือเป็นกิจที่จะต้องปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือในเมืองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ภิกษุสั ม, มเนนที่อยู่ในปกครองในขณะเดียวกันสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็ทรงพระเมตตาและยกย่องให้เกียรติแก่เจ้าพระคุณสมเด็จมาโดยตลอดเสมือนทรงเห็นแววของเจ้าพระคุณสมเด็จว่าจะทรงเจริญก้าวหน้าในทางพระศาสนา และจะทรงเป็นหลักเป็นประธานของวัดและคณะสงฆ์สืบไปภายหน้าดังจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเลือกหรือทรงมอบหมายให้เจ้าประคุณสมเด็จปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสสำคัญสาคัญอยู่เสมอ